นาทีใกล้าตายถ้าไม่ทราบวิธีวางใจให้สงบ ก, ก็จะทราบว่าที่ผ่านมาที่คิดว่ารู้อะไรแล้วจริงๆไม่รู้อะไรเลยมรณะสติไม่ได้เจริญยากอย่างที่คิดและไม่ได้น่ากลัวหรือน่าหดหูอย่างที่หลายคนเข้าใจเพียงแค่คิดบ่อยๆว่าถ้าจะต้องตายเดี๋ยวนี้เราจะเอาอะไรไว้กับจิต ระหว่างต้นเหตุแห่งความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจกับต้นเหตุแห่งความสงบระงับยิ่งคิดบ่อยเท่าไหร่ใจก็ยิ่งฉลาดเลือกมากขึ้นเท่านั้นสะสมเหตุแห่งความสงบใจเช่นมองแง่ดีอภัยเป็นเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่น้อยกว่าตัวเองเป็นต้นกระทั่งเมื่อถึงเวลาต้องใช้จริงก็แทบไม่เหลือนิสัยทางจิต ที่คิดห่วงเหตุแห่งความว้าวุ่นกระวนกระวายไว้อีกแล้วความสามารถสงบเป็นเรื่องต้องสั่งสมต้องฝึกทำกันทั้งชีวิตไม่ใช่แค่วันสองวันแล้วจะได้บรรณาจารย์ท่านจึงให้มันระลึกถึงความตายทุกวันในนาทีเฉียด ต, ตายถ้าม่รู้วิธีทําใจก็เหมือนทั้งชีวิตไม่รู้อะไรเลย ระหว่างมีชีวิตจะเคยมีความรู้ความสามารถขนาดไหนถ้าใกล้ตายไม่ทราบวิธีวางใจให้สงบ ก, ก็จะรู้สึกว่าในขณะนั้นตัวเองไม่มีความรู้ความสามารถอะไรเลยชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นไปแต่ความจริงยิ่งกว่านั้นก็คือชีวิตกำลังจะสิ้นก็ต้องดิ้นอยู่และแม้ชีวิตสิ้นลงแล้วก็ต้องดิ้นต่อ